ข้อความในคัภีเพขุทกานิกายพุทธวงศ์ต่อเนนะถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมันะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากโกสันธมนุษย์มีอายุประมาณ4ี่0 0ื่ปีนนะแล้วก็มนุษย์4ี่0 0ื่นปีเนี่ยนะพอสิ้นศาสนาอายุก็ลดน้อยถอยลงโดยลําดับไปจนถึงอายุประมาณ10ปีแล้วก็ขึ้นไปจนถึงอสงไขยปีแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ สามหมปีเนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระนามวโกนาคมณะเกิดขึ้นในมนุษย์อายุคอายุสามหมื่นปีที่พระองค์ตรัสเล่าในคาถาพุทธวงว่าต่อจากสมัยของพระกักุสันทภสัมพุทธเจ้าก็มีพระชินะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวโกนาคมณะผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าพระองค์ผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจในหมูนรชน พระองค์บำเพ็ญบารมี19ล่วงกันดานกันดานหมายถึงชาติชรามรณะเป็นต้นทรงลอยมนทินมีราคะเป็นต้นทั้งปวงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเมื่อพระโกนาคมณะพุทธเจ้าผู้นำพิเศษทรงประกาศพระธรรมจักรอภิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีแก่สัตว์ประมาณสามหมื่นโกดอันหนึ่งเมื่อพระโกนาคมณะพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหารในการย่ายีลัทธิ อันนะลัทธิว่าหรือลัทธิที่ิบสอฝ่ายประปักอภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมก็ได้มีแก่สัตริย์จํานวนสอง0 0ื่นโกดจากนั้นพระชินะสัมพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ต่า ง, างๆเสด็จไปยังเทวโลกก็ตอนที่พระองค์จะประจำพรรษาแสดงอภิธรรมให้พุทธมารดาฟังอันนะพระองค์ประทรับอยู่เหนือแท่นบรรดุกรรมพลศิลาอานะัฏฐเทวโลกพระมุนีพระองค์นั้นทรงจำพรนสาแสดงพระอภิธรรม7จัมภีร์สมัยนั้นอันนะ ได้มีเทวดาตรัสรู้ประมาณ1มื่นโกดแสดงว่าครั้งแรกตรัสรู้ส0 0 0มโกดใช่ไหมเอาเอาพูดประเภทตรัสรู้ครั้งใหญ่ๆะนะครั้งที่สอง0 0 0หโกดครั้งที่3 10,000 โกดพัน7จ็ดคำพีนเนี่ยบรรลุ 10,000 โกดพระโกนาขมณะพุทธเจ้าผู้เป็นเทพแห่งเทพหรือผู้เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาเนี่ยนะพระองค์นั้นทรงมีสันนิบาตการประชุมสาวกพระอาหารหันต์ผู้คงที่ไร้มนทิน ครั้งเดียวในครั้งนั้นสันนิบาตการประชุมภิกษุสาวกประมาณสาม0มื่นะเอาคำว่าโกดออกนะภิกษุที่มาประชุมกันนะฟังโอวาทปาติโมกมีสามหมื่นรูปข้ามโอคะทั้งหลายแล้วเนี่ยนะผ้ารหันทุกองล้วนแต่ข้ามกามโมคะทิถโอคะพโวคะและอวิชโชคะเสร็จแล้วหักลานมัจจุเสียแล้วผ้ า, ารหันทั้งหลายล้วนแต่ฆ่าความตาย เพราะท่านฆ่าความเกิดฆ่าชาติชรามรณะเป็นต้นได้เสร็จสิ้นแล้วฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราสมัยนั้นพระองค์เป็นกษัตริย์นามว่าปพัพพตาเนี่ยนะพระเจ้าพระเจ้าภูเขาว่างนั้นเถอะปะพัพพตาแปล ว, ว่าภูเขาพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาพรั่งพร้อมไปด้วยมิตรอัมมาตทั้งหลายผู้ผู้มีกําลังพลและพาณิหาที่สุดไม่ได้แปลว่ามีกองทัพยิ่งใหญ่มาก พระโพธิสัตว์ก็เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับพระธรรมอันยอดเยี่ยมก็คือทำอันยอดเยี่ยมก็คืออะไรก็คือโพธิปักขยธรรมเป็นต้นนั่นแหละที่ยอดเยี่ยมหลังจากฟังธรรมเสร็จก็เลื่อมสาสนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทำพร้อมทั้งพระภิสุสง์พุทธชิโนโอรสมาถวายทานถามว่าถวายแค่ไหนบอกจนพอแก่ความต้องการของท่านเหล่านั้นเสร็จแล้วก็ได้ถวายผ้าไหมผ้าทำในเมืองปันดุลนะ ผ้าไหมที่ทําในเมืองจีนผ้าแพรผ้ากําพลกะบาลีเขาเรียกจีนะจีนะก็คือเขาบอกว่าแปลเป็นภาษาว่าผ้าเมืองจีนเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วก็ถวายฉลองพระบาทคือรองเท้าประดับทองแด่พระศ า, าสดาแล้วก็ถวายรองเท้าประดับทองแด่พระสาวกทั้งหลายก็ถวายรองเท้าด้วยพระมุนีแม้พระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางภิกษุสอ์พยากรเราว่า ในพัตกับนี้ท่านผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้านะผ่านพระพุทธเจ้าองค์หน้าอีกองคหนึ่งจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนนพระตถาคตคือผู้บำเพ็ญบารมีอย่างเต็มเปี่ยมออกพิเนอภิเ น, เนสกรมจากกรุงกบิลพัทอันน่ารื่นรมตั้งความเพียรธรรมทุกขะกิริยาพระตถาคตเนี่ยประทับนั่งนโคนต้นอชปาลนิโครดรับข้าวมาทุปลายาตในที่นั้นแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชรา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 มายาพระพุทธบิดาพระเจ้าสุดโทธนะท่านผู้นี้มีนามตามโคตว่าโคตมะจักมีอัคระสาวกชื่อว่าพระโกลิตะและอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นสมัยพระพุทธเจ้า ก, ากัากรกุสันทะเนี่ยนะตอนที่พยากรณ์เนี่ยพระองค์ก็เห็นแล้วนะว่ามาเนี่ยจะไปเป็นสาวกข้างซ้ายใช่ไหมแต่นี่สำหรับ รายละเอียดตอนพระพุทธเจ้าโกนาคามณนะไม่ได้กล่าวถึงพระโมกขาลานะว่าไปสร้างวีรกรรมอะไรอีกบ้างแต่ที่แน่ๆท่านเป็นนักบุญนะไม่งั้นเนะ่ยท่านไม่เป็นพระอรหันต์รอกท่านสอนเนี่ยพระตรัสรู้ตามมากนะผู้ที่เลื่อมใสท่านก็เยอะก็ก็คือเป็นองค์ที่สามนะพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งพระสารีบุตรนับเป็นองค์ที่สองพระโมกขลานะนับเป็นองค์ที่สามพระมหากัสปะนับเป็นองค์ที่สี่เพราะว่านับมีอยู่นับอยู่เท่าเนี้ยที่เหลือไม่แทบไม่นับเลย แทบไม่นับเลยว่ามี5 6 7 8เนี่คือใครจะไม่นับนับอยู่4รูปเท่านั้นเองเออพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมนะจะมีอุปพุทธอุปถาคชื่อว่าพระอนันทะจากบำรงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระองค์จะมีอัคราสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวรร น, นาทั้งคู่ก็เป็นพะ้าหาันผู้ไม่มีอาสวะ ปราศจากราคามีจิตสงบตั้งมั่นโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัต t h ต้นโพใบพระองค์จักมีอักขระอุปถาเชื่อว่าจิตตาและหัตถะอลาวะกะพระองค์จักมีอักขระอุปถายิกาชื่อวันนันธมาตาและอุตราพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจักมีพระชนมายุร้อยปี ฝ่ายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพอได้ฟังพระดํารัสนี้ของพระองค์ผู้ไม่มีผู้ใดเสมอพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เทวดาและมนุษย์ก็ปราบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นพุทธทางกูลก็ันว่าหนอเนื้อเชื้อไขของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นหมื่นโลกกระทาทั้งเทวโลกพากาันโหร้องปรบมือหัวร้อร่าเริงประคองอัญเชลีกล่าวว่า ถ้าหากว่าพวกเราพลาดจากศาสนาของพระโลกกนาพระนาว่โกนาคามนะพระองค์นี้ไซในอนาคตพวกเราก็จะอยู่ต่อนหน้าท่านผู้นี้เปรียบเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายถ้าจะข้ามแม่น้ำพลาดท่าน้ำข้างหน้าก็ไปถือเอาท่าน้ำข้างหลังเพื่อจะข้ามแม่น้ำใหญ่ฉันใดพวกเราทั้งหมดถ้าหากว่าผ่านพ้นพระชินเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตพวกเราก็จะอยู่ต่อนหน้าท่านผู้นี้เพื่อข้ามวัตฏสงสารฉันนั้น ฝ่ายพระโพธิสัตว์เนี่ยฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีจิตเลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดอย่างยิ่งยวดเพื่อบาเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยมอย่าลืมว่าท่านบอกว่าพูดสมัยกับใดที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหลายองค์นะเช่นเกิดขึ้นสองค์4องค์5องค์อย่างพวกประชุมชนทาบุญจาบพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่ง ได้มาตรัสรู้ในองค์ที่2หรือองค์ที่3ที่4หรือที่5ประชุมชนที่ทําบุญในพระพุทธเจ้าองค์ที่2ก็จะได้ตรัสรู้ในองค์ที่3ที่4และที่5ประชุมชนที่มาทําบุญในพระพุทธเจ้าองค์ที่3ก็จะตรัสรู้ในองค์ที่4องค์ที่5ประชุมชนที่ทําบุญในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ที่4ก็จะตรัสรู้ในองค์ที่5มันกับนี้จึงไปชื่อว่ากับเจริญเป็นกลับที่เรียกว่าเหมือนกับมีท่าข้ามจากวัตตะเนี่ยมากมาย ปัญหาว่าจะข้ามหรือเปล่าแค่ น, นั้นเองนะนะจะข้ามแต่รอก่อนนี้หรือเปล่าไปไหมบอกไปแต่ยังไม่รีบขนาดนั้นว่างั้นนะบอกจะศึกษาธรรมะไหมศึกษาแต่ว่ารู้สึกไม่รีบอะไรรอแก่ๆก่อนว่างั้นไม่รุ้นมองจากสายตาใครนะก็บอกว่ากา็อายุเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าไปที่ไหนเขาก็เรียกย่าเรียกยายบอกแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาแก่ๆก่อนนะมีครั้งหนึ่งไปกับโยมคนหนึ่งอันนั้นไม่ใช่ไปไปคนเดียวนะแต่ว่าไปกันทั้งคณะทั้งขันรถแหละ แล้วก็มีคนคนหนึ่งอ่ะพูดขึ้นมาบอกเดี๋ยวเขาแก่ๆ ก, ก่อนนะเขาจะเรียนแต่เราก็ลืมหันไปดูเนี่ยนะบอกโอ้โหนี่ขนาดนี้ไม่แก่แล้วขนาดไหนก็ไม่รู้ไมร่ม ร, มรู้มารอมเมื่อไหร่เพราะงั้นนั่นนะแล้วลก็เลยบางท่านก็บอกว่ารุ่นชำเลืองโลงกันแล้วก็ยังไม่สนใจเพราะงั้นอันนี้เล่าให้ฟังนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนเนี่ยบอกโอ้ยไม่รู้รอให้บอกแก่ๆ ก, ก่อนไม่รู้ขนาดไหนก็ไม่ทราบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ขนาดเราเนี่ยนะพอไปเห็นเด็กปั๊บโอ้โหเรามันแก่ขนาดนี้เลยเละ ถ้เห็นเด็กน้อยป้าเรารู้สึกเลยแม้ใจแป้วเลยบอกโอ้โหแก่ชาราขนาดนี้แล้วนะอย่างก็ว่ายุคนี้มนุษย์อายุสักอาศงไขปีนั่นแหละถ้าอายุสักอสศงไขปีก็เชื่อหรอกว่าเด็กเยงควรจะมีสามีได้ต่อเมื่ออายุห้าร้อยปีก็ ย, ยังชั่วหน่อยนะแต่นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่มันหารเกือบหารสิบอยู่แล้วเหนะ็นไหมอายุนิดเดียวอางั้นแล้วก็ การที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นโดยเฉพาะเกิดขึ้นหลายๆองค์เนี่ยนะพอที่จะเป็นบุญวาสนาให้ให้อนาะช่วยๆกันข้ามคือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะท่านไม่ใช่เป็นบุคคลกลุ่มชนที่เรียกว่ารวบรวมหรือกระหายสาวกกระหายลูกศิษย์กะหายบริวารพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบุคคลเช่นนั้นพร <c oughs> ะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ว่า ช่วยพูดพอจะตรัสรู้ให้ตรัสรู้ช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่สามารถจะตรัสรู้ให้เขาได้ตรัสรู้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ต่ อ, ต, อต่อไปในอนาคตอันนั่นคืองานของท่านท่านไม่ใช่งานเพื่อรวบรวมสาวกหาบริวารไม่ใช่อย่างที่พระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าพรหมจรรย์ของพระองค์เนี่ยไม่ใช่เพื่อมีลาบสการะเป็นอนิสง อ่นนะไม่ใช่เพื่อคํายกย่องสรรเสริญหรือไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่อแก้ลัทธิเป็นเจ้าลัทธิอะไรทั้งนั้นแหละไม่ใช่สักอย่างแต่พรหมจาร์ของพระองค์เป็นไปเพื่อสังวปรปหานะนิโรธะเป็นต้นดังั้นการที่พระองค์แสดงทำให้ผู้อื่นก็แสดงเพื่อให้เขาสังวรเนี่ยนะสอนให้เขารู้รู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์รู้อะไรควรละอะไรควรเจริญเขาจะได้ทําที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้อันนั้นคืองานหลักของ ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มันจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรอย่าเหมือนอย่างว่าดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ก็ตามที่สาสองบนท้องฟ้าเมื่อทำกิจส่องสว่างเสร็จแล้วก็ล่วงลับคล้อยไปโดยที่ไม่ไม่สนใจว่าจะมีผู้มากราบมาไหว้ผู้ที่มาบูชาดวงอาทิตย์ไหว้พระอาทิตย์หรือเปล่าดวงอาทิตย์ไม่สนใจให้แต่ความสว่างแล้วก็จากไปฉันใด พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทำกิจเช่นเดียวกันนะทำกิจเช่นเดียวกันว่าจะช่วยให้เขาตรัสรู้ในอนาคตได้อย่างไรนะทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเท่านั้นทีนี้เมื่ อ, อ, อย้อนกลับมาที่บอกว่าพระพุทธเจ้าพระนามวาโกนาคมนณะพยากรณพระโพธิสัตว์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ได้รับฟังคาพยากรณ เรียกว่าอย่าว่าขนาดคนที่ไม่ได้รับพยากรณ์ได้ฟังว่ามีผู้ถูกพยากรณ์ยังดีใจไปกับเขาเลยอ่ะเจ้าไหมเทวดาและมนุษย์ยังดีใจด้วยกับพระโพธิสัตว์เลยแล้วก็ยังคล้ายๆว่าคาดหวังไว้ด้วยนะว่าถ้าบรรลุชาตินี้ไม่ได้นะขอไปบรรลุกับท่านละกันนะนี่ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์พอได้ฟังว่าตัวเองจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็จิตก็ยิ่งเลื่อมใสปกติก็เลื่อมใสยอยู่แล้วเลื่อมใส ย, ยิ่งๆิ่งขึ้นไปเหมือนปกติก็มีพลังมีไฟอยู่แล้วนะก็เท่ากับเพิ่มพลังให้มันยิ่งยิ่ง ก็เลยอธิษฐานอธิษฐานว่าสมาทานตั้งใจที่จะทํากุศลสมาทานวัดวัดของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายวัดของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็คืออะไรทานนะบารมีวัดในการให้ทานสมัยใหม่นี่เขเข้าใจผิดเขาบอกว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะสร้างบารมีเพราะฉะนั้นให้ทุกคนมาร่วมสร้างบารมีกันนะแปลว่าขอทุกท่านเอาของมาให้พระโพธิสัตว์ครับแปลว่าอย่างนั้น ไม่รู้พระโพธิสัตว์กลุ่มไหนไม่ทราบแต่ว่าถ้าพระโพธิสัตว์ในพระไตยปิฎกก็บอกว่าท่านเหล่านี้จะเอาอะไรไปให้ใครได้อย่างไรเมื่อไหนอ่เมืไร่ที่ไหนจึงจะสําเร็จประโยชน์แก่เขาเขาคิดกันอย่างนี้ไม่ใช่กลุ่มพระโพธิสัตว์นะเปิดอะไรนะเปิดสํานักเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อขอความช่วยเหลือมันก็เลยกลายเป็นพระโพธิสัตว์คือกลุ่มชนที่ไปช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมอันนี้กลายเป็นว่าขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะนะก็เลยคนละใครว่าเกิดผิดยุคจ ร, ร, ริงเลยแหละ อันพระโพธิสัตว์ในพระไตรปิฎกนั้นจะ ก, กล่าวอธิบายถึงว่าท่านเหล่านี้เนี่ยนะเข้มงวดว่าจะต้องให้ทานให้ยิ่งขึ้นไปอีกโดยไม่จํากัดเจตนาที่จะให้ไม่จํากัดของที่จะให้และไม่จํากัดผู้รับเนี่ยนะแล้วก็บําเพ็ญศีลบารมีเข้มงวดกับเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกรรมศีลให้เพิ่มพูนขึ้นอีก จเจริญเนคขมมะสมถาวิปัสนาให้เพิ่มพูนยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปอีกจเจริญปัญญาให้ยิ่งยิ่งครั้งสุตมยะปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาอาทิปัญญาเสกขาให้บริบูรณ์เพิ่มภาคเพียรในการจะให้ทานรักษาศีลเจริญสมถะเพิ่มในการจเจริญปัญญาทำด้วยความอดทนเนี่ยนะทำด้วยความอดทนทำด้วยสัจจวาจาแล้วก็จิตใจตั้งมั่นทำกุศลเหล่านั้นให้ยิ่งยวดขึ้นไป เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยที่ไม่หวังอะไรแอบแฝงไว้เบื้องหน้าเบื้องหลังว่าต้องการอย่างอื่นจากจากการกระทำเหล่านั้นเรียกว่าเพิ่มเท่่เจริญบุญเพื่อบุญทำบุญเพื่อให้บุญบุญเติบโตจนได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละก็มีแต่การสมาทานการอธิษฐานคุณธรรมเหล่านั้นให้ยิ่งยวดทีนี้ไอการที่จะสร้างบารมีโดยเฉพาะศีะลบารมีเนี่ยนะ ถามว่าจะไปหาศีลบารมีจากที่ไหนถ้าไม่เอาจากาศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นเป็นผู้ควรแกวินไหพระพุทธเจ้าสามารถบัญญัติศีลได้อย่างกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้ถ้าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ปุตพองก็บวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าในบรรดา ว, วิธีการเจริญเนคขมะทุกชนิดผู้ใดจะสอนเนคขมะได้เท่ากับพระพุทธเจ้า แล้วถามว่าผู้ที่จะให้เรื่องปัญญาได้มากที่สุดผู้ใดจะให้ปัญญาเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ใดแนะนําวิธีภาคเพียรพยายามโดยไม่ผิดไม่พลาดเพียนแล้วถูกต้องอย่างเดียวก็พระพุทธเจ้าสรุปว่าจะสร้างบารมีให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะไปหาที่ไหนอีกนอกจากในศาสนาของพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็เลยสละราชสมบัติอันยิ่งใหญ่บวชในสำนักของพระชินเจ้าเพื่อสร้างบารมีให้เพิ่มผูยิ่งขึ้นไป ผู้บารมีผู้มีบารมีนั้นไม่ได้แปลว่าผู้ที่มีอำนาจดูแลของมากไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแต่แปลผู้มีบารมีคือผู้ที่เจริญกุศลได้บ่อยได้มากและปริมาณที่เยอะสืบเนื่องเรียกว่าผู้มีบารมีเพราะบารมีนั้นเป็นเป็นกุศลไม่ใช่วัตถุผู้มีบารมีมากไม่ได้แปลว่ามีวัตถุมากแต่มีขีดความสามารถในการเจริญกุศลอย่างหาที่สุดไม่ได้ สำหรับพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะพระองค์มีนครที่เกิดชื่อว่าโสภวดีพระพุทธบิดาที่เป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าโสภะตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นตระกูลใหญ่อยู่ในพระนครโสภวดีพระโกนาคมณะพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดามีขออภัยนะอ่านผิดเมื่อกี้ เมืองที่เกิดของพระพุทธเจ้าพระนามวาโกนาคมณะนั้นชื่อว่าเมืองโสภวดีเมืองโสภวดีนั้นมีกษัตริย์นามว่าโสภะนะปกครองบ้านเมืองนี้อยู่ส่วนพระองค์นั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์ตระกูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะนั้นเป็นตระกูลใหญ่อยู่ในนครโสภวดีนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะมีพระพุทธบิดา เป็นตระกูลพราหมณ์ชื่อว่ายันยท์เนี่ยนะกระหวะผู้ให้การบูชายันยะยันเนี่ยแปลหมายถึงการบูชานะถ้าตัปลว่าให้ผู้ให้การบูชาชนานีพุทธมารดาชื่อว่าพราหมณีนางอุตราพระองค์ครองคารวาสวิสัยอยู่สามพปีมีปราสาทชั้นเยี่ยมอยู่สามหลังชื่อว่าตุสิตะสันดุสิตและสั น, สนตุธาสันโดษเนี่ยนะ พระองค์มีนางบำเรอประมาณ1 6 0 0นพนางภริยาชื่อว่ารุจิกัตตาโอรสชื่อว่าสัทวาหะพระผู้เป็นบุรุษสูงสุดเนี่ยนะพระผู้สูงสุดในหมู่บุรุษทั้งหมดเห็นนิมิตสีอภิเนศกรมด้วยยานช้างบำเพ็ญเพียรอยู่6เดือนพระมหาวีระโกนาคมณะผู้นำโลกผู้สูงสุดในนรชนอันเท้ามหาพรหมอาราธนาแล้วประกาศพระธรรมจักณมิขทัยวัน พระโกนาขมณะพุทธเจ้าผู้มีพระยศมีอัครส า, าวกชื่อว่าพิโยสะและอุตตระพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระโสติชะนี่นะโสติชะโสตินี่แปลว่าสวัสดีชาแปลว่าเกิดผู้ให้เกิดแต่ความสวัสดีผู้สร้างความสวัสดีสร้างความมีชัยให้แก่สรพรพสัตว์น่ะนะอุปถากของพระองค์เพราะว่าพุทธอุปถากโดยมากก็ทรงพระไตรบิดกได้ยินคําสอนทุกทุกพยัญชนะหมดแหละ พระองค์มีอัครสาวิกาชื่อว่าพระสมุทธาและก็พระอุตราโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าต้นอุทุมพรต้นอะไรเอ่ยบอกต้นมะเดือ่อใครไม่รู้จักมะเดื่อเมาก่อนนี่มันมีอยู่ข้างหลังนี้อยู่ต้นหนึ่งโยมก็ไม่รู้บอกว่าไม่รู้ว่าต้นอะไรมันขึ้นตรงนี้นั่นแหละเขาเราียกต้นมะเดือ่ออุทุมพรเ น, น, นะมีอัคราอุปถาคชื่อว่าอุคคะและโสมเทวามีอัครอุปถายิก่าชื่อว่าศีลาวาและสามา พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูงประมาณ30สบศอกประดับด้วยพระรัศมีทั้งหลายสีของรัศมีนี่เหมือนกับแท่งทองในเบ้าช่างทองในยุคนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชนมายุสามหมื่นปีพระองค์มีพระชนยืนถึงเพียงนั้นจึงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะ อันนี้เป็นสำนวนนะนะแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าจะอยู่4ีส่วนห้าของอายุจริงเนี่ยนะอยู่เฉพาะ4ีส่วนห้าเพราะว่าส่วนที่ที่หลังจากส่วนที่สี่ไปแล้วเนี่ยผิวจะเริ่มชราฟันจะเริ่มมีปัญหาแล้วพระองค์จะไม่อยู่จนถึงกับฟันฟันหักผิวย่นผมหออกพระองค์พระพุทธเจ้าจะไม่อยู่ถึงขนาดนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวก็อะไรนะเดี๋ยวว่าพระองค์เนี่ยจะดับขันปริณีพานตอนที่ยังน่าชื่นชมเท่านั้น พระองค์ด้วยพระสาวกของพระองค์ด้วยช่วยกันยกธรรมเจดีย์คือโพธิปัจจะธรรมที่ประดับด้วยธงผ้าคืออริยสัจเนี่ยนะสัจธรรมทรงทมพวงมาลัยดอกไม้คือธรรมพวงมาลัยคืออริยมรรคเนี่ยนะหรือโพธิปัจจะธรรมเสร็จแล้วก็ดับขันธปรินิพาน คิดง่ายๆว่าเหมือนกับเจดีที่สําเร็จด้วยโพธิปัจจยธรรมแล้วก็มีธงอยู่บนยอดธงอันนั้นก็คืออริยสัจเนี่ยนะเพราะว่าการเจริญโพธิปัจจยธรรมให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจมันพวงมาลัยที่ประดับรอบทั้งหมดก็คือโพธิปัจจยธรรมหรือธรร ม, มเทศนานั่นเองในที่สุดพร ะ, ะพระองค์ด้วยพระสงฆ์สาวกของพระองค์ด้วยพิ่ลาดด้วยฤทธิย์ ย, ยิ่งใหญ่ สรุว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นประกาศพระธรรมอันเป็นสริริทั้งนั้นคือทั้งพระสงฆ์ด้วยทั้งพระองค์ด้วยก็อันตรทานไปสิน้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้นะสังขารทั้งหลายว่างเปล่าแน่แท้เพราะอะไรเพราะพระโกนาคามณะสัมพุทธเจ้าปรินิพานณวิหารปรพัพพตารามพระบรมสารีริกธาตุแผ่ระกระจายไปเป็นส่วนส่วนณที่นั้นแล พระธาตุของพระองค์ก็กระจายไปเนี่ ย, นยในอาตานาตยสูตรเนี่ยนอบน้อมพระพุทธเจ้าโกนาคมณะว่าขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมณะพุทธเจ้าผู้มีบาปอลอยแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ใช่ข้อความในมัทุรัววิลาสีอัตถกถาพุทธวงศพันน า, นาวงของพระโกนาคมณะพุทธเจ้าที่ย3า คือเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่23ที่พยากรพระโพธิสัตว์ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในกลับนี้ันกล่าวว่าภายหลังต่อจากสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัจสันทะเมื่อพระศาสนาของพระองค์อันตรธานแล้วเมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดมามีอายุสามหมื่นปี หมายความว่าอันตรธานก็ลดลดลดลดไปจนถึง10ปีแล้วขึ้นไปจนถึงอสงไขยแล้วก็ลดมาอีกเหลือส 0,000 ื่นปีพระศาสดาพระนามวโกนาคมาณะผู้มีไม้ดีดพินมาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นหมายความว่าพระองค์ได้ดีดพินคือทําให้ไพ่ได้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์เหมือนอย่างว่าผู้ที่ดีดพินบรรเลงเพลงทั้งหลายเพื่อยังความปราบปลื้มใจให้แก่ชาวโลกหรือว่ากล่อมโลกให้เพลิดเพลินแต่พระพุทธเจ้านั้นแสดงพระธรรมเพื่อ ให้สัตว์ทั้งหลายได้ดื่มดำในอมะตะนั่นเองพระพุทธเจ้าโกนาคามณะพระองค์นี้ก็อุบัติขึ้นในโลกอีกนัยยะหนึ่งที่ชื่อหรือความหมายของโกนาคามณะแปลว่าเพราะเป็นที่มาแห่งอาภรณ์คือเครื่องประดับทองเป็นต้นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็เกิดขึ้นในโลกนะตามหลักที่บอกว่าอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธ ธรมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปริณิพานิโกสัมโพธคามีสุขตับปเวที่โตเนนั่นะอะไรธรรมวัาชเช้าภาษาไทยภาษาบาลีนะนั่นแหละเรียกว่าอิท่ตถ า, าคโตโลเกอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขตโตโลกวิทัวนะกันเดียวกันพระองค์ก็เกิดขึ้นในโลกบอกว่าทองเป็นเครื่องประดับนะเครื่องประดับทองทั้งหลายก็ตกลงมา ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดอุบัติพระองค์นั้นพนาว่าโกนาคมณนะโกนาคมณนะเนี่ยนะก็คืออะไรแปลว่าพระองค์เนี่ยพอพระองค์เกิดมาว่ฝนทองตกลงมาฝนทองตกลงม า, งงมาได้ยินในกลับนี้เท่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากะกุสันทะทรงเกิดในเวลาที่มนุษย์มีอายุ4ี่0 0ื่นปี อายุลดน้อยถอยลงจนถึงอายุ10ปีเจริญขึ้นจนอายุเป็นอสงไขยปีจากนั้นก็ลดเหลือประมาณส0 0หมื่นปีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโกนาคามนะ ก, ก็อุบัติขึ้นในโลกแม้พระองค์ก็บำเพ็ญบารมีทั้งหลายคือผู้ที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่สำคัญต้องเป็นพระตถาคตคือผู้เสด็จมาอย่างนั้น หมายความว่าพระพุทธเจ้าเหล่าใดประชุมธรรมะสมโมธานแปดประการรวบรวมบารมี10อุป ป, รปารมี10ปรมัภิปรมี10มหาบริจาก5อธิฐานธรรม4ประพฤติจริ ย, 3, นนะยาสาอัธยาศัยหเป็นต้ น, นนะท่านเหล่านั้นเนี่ยรวบรวมโดยใช้เวลาท่าปัญญาทิกะ4อสงไขยแสนกับท่าวิริยาทิกะก็16อสงไขยแสนกับบำเพ็ญบารมีจนเต็มเปี่ยมชาติคล้ายกับพระเวสสันดร จุติจากนั้นก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ด, ดำรงอยู่จนตลอดอายุไขก็จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตถือปฏิสนธิในครันของพรามณีชื่อว่านางอุตราที่เป็นพุทธมารดาคำว่านางอุตราอุตรานี่แปลว่าเหนือหรือยอดเยี่ยมเยี่ยมกว่าคนอื่นในเรื่องรูปในความงามเนี่ยนางอุตรางามกว่าเพื่อนเหมืน ง, งั้นเถอะในความงามเสียงเพราะเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งเป็นภริยา ยัญยทัตตะพราญยทัตตะพราหม์กรุงโสภาวดีอยู่ในคันครบถ้วน10เดือนเพราะว่าหญิงอื่นอนะกขาบอกว่าหญิงอื่นอาจจะอยู่เด็กเหล่าอื่นที่อยู่ในคันของหญิงโดยทั่วไปบางคน7เดือนบ้างบางคน8เดือน9เดือนบ้างบางคนเกินกว่า น, นั้นบ้างแต่สําหรับพระโพ ธ, ธิสัตว์อยู่10เดือนเต็มน่นะก็เคลื่อนจากคันของพระชนนีณนะสุภาวดีราชยุทธานเมื่อพระองค์สมภพ ขณะที่เกิดประสูตรออกมาเนี่ยนะฝนก็ตกลงมาเป็นทองทั่วชมพูทวีปเพราะฉะนั้นเหตุที่พระองค์เป็นที่มาแห่งทองภาพประยุรญาตจึงเฉลิมพระนามว่าโกนาคมณนะ